ตรงค้ายมันมีะนะ้คือฝีคำถามแรกเกิดก น, นะเดีย๋ยวมีคนมีความสงสัยมีมีใครมีคำถ า, นะามกรนนะเจะ หลงไปอยู่กับความเคลื่อนไหบางทีมั น, น, มนยกมือไปเพลินนะเพลิ น, น, นบางคนยกยกแบบสนุกสนุกอะ่ะคือมันมันก็ไม่ได้ฟุ๊กไม่ได้อะไรนะแต่มันสนุกมันเพลินไปกับไปกับการยกมือกับการเดินมันก็เป็นความดลไปกับความเพลินในการยกมือ เคลนไหวแบบเหมือนกันมีเพลินไปความเคลื่อนไหวอ่าแตที่ชัดชัดเกิดไปความเคลื่อนหวบบนันเป็นเหตุชัดถ้ามันชัดเองไม่ได้ว่าจะมีเจตนาไปจงใจใ ห, ให้มันชัดไม่เป็นไรเพราะบางทีสติดบางทีมันก็ชัดมากบางทีมันก็ชัดแบบกลางหรือบางทีมันก็ไม่ชัดเลย แต่รู้อยู่นิดๆเลยนะที่จริงมันรู้แบบไหนนะใจเราพอใจหรือว่ายอมรับก็มันรู้แค่นี้อันนี้ยจะดีแต่ไม่ใช่ว่ารู้ชัดดีกว่ารู้ไม่ชัดไม่ใช่นะเพราะบางทีมันรู้แบบนี้เรายอมรับก็มันมันรู้แบบนี้อนนี้ใจเป็นตางตัวรู้นะตัวรู้ว่ามันเป็นรู้แบบไหนเนี้ยตัวนี้สําคัญกว่า อาการที่เกิดขึ้นว่าชัดหรือไม่ชัดดังนั้นเวลาบางคนพอว่าทํา็มันสนุกควาเพลินไอตัวรู้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่รู้ดกโดยซีใจเป็นการมันเข้าไปพอใจในความเพลินนะ้มันก็เลยเข้าไปไหลไปเดียวกับตรงนั้นแต่ถ้ารู้ว่ามันมันจะดําสนุกมันกําเพลินแต่แต่จิตไม่ไม่ไหลไปกับตรงนั้นนะไม่เป็นไรนะบางทีมันก็มีความเพลินในการเดิน มีความเพลในารยกมือแต่จิตเราไม่ได้มีไปไหลไปอยู่นความเพลนี้อันนี้ถือว่าถูกมัมีอยู่ครังท่มัมันยกมือแล้วคือเราไม่ได้ยกกับารยกเปยเอยแบบปรคงสาเปย์ระยะเปย์หมดเลยไม่ได้ทำอะไรนั่นะิดกก็ก็รู้ว่าเป็นแบบนั้นก็พอไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรก็ มันถูกหรือเปล่าไิดหรือเปล่ า, ารู้ว่ารู้ว่ามันเป็นแบบนี้จังหวะแบบนี้รู้สึกแบบนี้รู้แบบนี้ไปเลยไม่ต้องไปมันผิดอะไรหรือเปล่าไม่ใช่คือไม่ได้ตั้งใจเยอะเยอ่ะมันมันเหมือนเครื่องมันเดินเองคือไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งใจไม่มีสติน่าจะเพรามีสติหรแต่ไปทำซิแต่เรารู้สึกถึงการเคลื่อนของมันอยู่ ถ้ารู้อยู่ก็ได้ไม่เป็นไรก็ก า, ายก็เคลื่อนไปเราก็แค่รู้สึกว่ามันเคลื่อ น, นแม้ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เป็นแบบนั้นแบบนี้มัเหมือนเราเดินน่ะเหมือเราเดินธรรมดาใช่ป่ะเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปจงใจที่จะต้องก้าวเท้าหรือเราทํางานบางอย่างที่เราทําป็นชินเราก็ไม่จําเป็นต้องไปจงใจที่มันจะ ให้ยังงั้นแตมันเป็นอัตโนมัติที่มันทําของมันเองใช่ไหมสติก็เพียงแค่รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของมันแล้วก็รู้ทันเวลาจิตใจมันเกิดอารมณ์อะไรที่มันเิดนโพติขึ้นมาเราก็รู้ทันแต่ตอนนั้นคุณคุณแดงคงมันมันคงทําบ่อยจนจนมันเข้าร่องเป็นหมายถึงว่ามันก็เลยทําของมันเองนะ มันเตะนเบา้ว่ามันมันไม่ใช่รอกเราเดินแทงเ่อนี้ฉัเดินเดิมาแนะเดอกมาดูว่าเดินแต่แต่ไม่ไม่ได้นใจแต่อันือไม่ได้ทาเวลาเนไม่สนใจก็จรู้ว่าเออเราเราไม่ได้ตัวแต่มันไม่ได้ยกแต่มันยก่งโยนยคือแบบคือมีโอกาสที่จไม่ใ่ยระตัน แต่ได้จริงนะถ้าตอนนั้นใจมันสงสัยรู้สึกรู้ทันใจที่สงสัยเนบะรู้รู้ที่ปัจจุบัน ท, นะที่มันคิดมาสงสัยทำไมเป็นแบบนี้รู้ที่ตรงนี้เลยมันชอ บ, ชอบถ้าชอบก็รู้ว่ามันชอบ ร, รู้รู้ที่ตรงนี้ไปเลยนะคืออาการที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดเพราะอะไรอะไรยังไงไม่สําคัญเท่ากับว่า เม่อมันเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลต่อจิตใจอย่างไรอตอนนี้สําคัญกว่ามันส่งผลอย่างไรกับกายกับใจถ้าเราดูด้วยความเป็นกลางที่ตอนตั้งต้นยังไงสําคัญกว่าถ้าเรารู้ด้วยความไม่เป็นการที่ชอบดีเไม่เป็นกลางแค่รู้ทัน มีะเป็นโตเก่าถามนะแลปฏิบัติมาหลายเปีแล้ว่าวน้ำสักกานพระอาจารย์ค่ะเราดีใจที่ได้มาปฏิบัติกับพระอาจารย์ออพอดีโยมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คืออยากจะแลกเปลี่ยนกั บ, กบน้องๆผู้ใหม่ หรือคนที่มีคำถามเช้าเรื่องทิ้งความโกรธไม่ได้เสียทีแล้วก็ประเด็นที่สองโยมมีคำถามที่จะถามพระอาจารย์ก็คือสองเดือนที่่านมายโยมจะยุ่งมากเลยไปทำงานอาสาโยมก็ล้าเลยจากปฏิบัติแล้วก็โยมก็มารู้ตัวทิ้ว่าความโกรธเมื่อก่อนเยิ่งเคยเนึนโกรกน่า ตัวไม่หลุดง่ายขนาดนี้เพราะเราล้าเลยการปฏิบัติเราจะเห็นชัดเลยว่าเรากวดง่ายขึ้นจิตใจเราแกว่งง่ายขึ้นเรามีความถูกง่ายขึ้นนะคะแต่อย่างน้อยยมดีใจว่าวันไหนยมเจอพระอาจารย์ยมเล่นปฏิบัติวันนี้อารมณ์ชัดมากเลยยมลวงแบงเห่าจักระเป๋า ต, าต่างนี้รู้สึกตัวในรอบปีนี้ เวลาล้วงตาออจากระเป๋าไม่เคยรู้สึกตัวเลยวันนี้โอ้ล้วงแบงร้อยออกมาไม่รู้สึกตัวชัดๆเลยแล้ววันนี้ก็ดีใจว่าก็ปฏิบัติไปมันอาจจะหลุดไปจากความคิดสักห้บางช่วงหลุดไป3 0มบตางช่วงเราก็ยังรู้สึกว่าเออเรายังได้ปฏิบัตินะคะยังอย่าสรุปบทเรียนที่ยมได้สาข้อจากการที่ปฏิบัติกับพระอาจารย์ก็คือข้อที่หน ถ้าเราอยากมีสันติสุขเราต้องปฏิบัติสม่ำเสมอนะคะเราต้องมีวินัยที่จะปฏิบัติสม่ำเสมอความความสุขความสันติสุขสัมพันธ์กับความขยันหมั่นเพียรที่จะทาประเด็นที่สองโยมเคยได้รับ ก, การบอกสอนจากพระอาจารย์ครั้งล่าสุดว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้อง เดินทางค้นหาครูบาอาจารย์มากมายขอให้เริ่มปฏิบัติเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเริ่นช้าก็อันนี้ยมก็ตั้งใจว่าเราคงจะต้องกลับมาจริงจังกับการปฏิบัติมากกว่านี้อันที่สามยมได้เรียนรู้ว่าถ้าเราพยายามมีครูบาอาจารย์และมีสังขาร เหมือนกับที่เรามารวมกันและพบพระจานาร์วันนี้หรือท่านที่สนใจจะไปที่ใลมอนฟาร์มจะมีทุกเดือนหรือทำดีรุ่งโรจน์จะมีทุกเดือ น, อ น, ม, อนมันจะทำให้เราต่อเนื่องในการปฏิบัติแล้วเราพบพระจานาร์เราก็จะรู้ว่าเราจะอายที่เราที่เกียดมันจะทำให้เราเรื่องช้าอันนี้เป็นประเด็นที่โยงแลกเปลี่ยนนะคะกับพื้ปฏิบัติว่า ขอให้เข้าหาครูบาอาจารย์อย่างน้อยร้อเดือนละครัส่วนคำถามนิยมอยากจะถามก็คือยมก็อา ย, ยที่ยมลาชิงไปสองเดือนโยมอยากจะเร่งสปีดตัวเองแล้วจะปรึกษาพระอาจารย์ว่าจำเป็นหรือไม่ที่สมมติ น, นะคะ3 ส, สีเดือนครั้งหนึ่งต้อง็ปเก็บตัวที่อาศบริยธรรมสักาสี่วันสีห้าวันจะทำให้การปฏิบัติด้าน้ามากขึ้น ห, นหนม อันที่สองอยอมจะกลับมาสปีดใหม่สักวันนึงสักสองชั่วโมงอะไรเงี้ยจะช่วยให้กลับมาได้ทันหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะก็ที่จริงทำทุกวันดีดีที่สุดกว่าตันก า, ารที่เราไปไปเร่งตอนช่วงในช่วงนึงนะทำทุกวันดีดีทีท่สุดทา ให้เป็นกิจกวัตรอย่างที่ว่าทำทุกวันนะในรูปแบบเราจะจัดสรรตัวเองทําได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ก็ทําทุกวันให้เป็นนิสัยนะแล้วก็ในเวล า, าว่างนะเล็กๆน้นนนนนอยๆรอคอยอะไรว่างจากงานนะเราก็ทําให้เป็นนิสัยแต่นี้นจะดีมากนะแต่ถ้ามีโอกาสมีโอกาสจะไปปฏิบัติต่อเ น, นื่องเป็นช่ชวงก็ดีอยู่เหมือนกันเพราะว่า เวลาเราทำต่อเนื hmm. ่ยงเงินมาสเกตเวลาจัดพอร์สเป็นใหญ่องามวันได้จุ่ปรับตัวกำลังนงเมียหือนอนเช้าโมงนอนนั้นนี่ระวันที่สามวันที่ประมาณวันที่สี่ขึ้นไปเป็นใหญ่เริ่มเนิ่มอยู่ตัวเริ่ไดอาวันที่เจ็ดวันที่แปดเก้าสิเนอะโอ้พอมารายงานผลปฏิวัติหน่าชื่นชมังนเดือน ต้นเดือนมีนาที่ผ่านมีคนจีนไปปฏิบัติเพียรตนนะประมาณเก้าวันสิบวันพอเข้ามารายงานตนปฏิบัติอยโอ้ก็ก็รู้สึกก็ดีใจลับเขาหน้าที่เขาเออแม้บางบาทนะีแบบหลายคนไม่รู้ธรรมะอะไรมาก่อนนะพอปฏิบัติแล้ว น, นะบอกให้ทําก็ทําพูดนิดหน่อยแต่ก็พูดร่างเทศบ้างนะไม่ต้องถามกันมาก่ะแต่เขาก็ทําไปเรื่อยแล้ว ความรู้สึกตัวนะหรือว่าความคิดนั่นแหละเวลาวางใจแล้วมันผิดหรือความที่เสอย่างก็ทำไเนี่เลยนะเบื่อก็ทํานะอ่อที่เกียจก็ทําอุตส่าห์มาตั้งไกลแล้วก็ต้องมาทํำนะก็ทําไปเท่ยนะ้พอรายงานผลการภาวนาจริงๆก็หลายๆคนเราไปอย่างนู้นทําทั้งมาหลายเดือนนะกว่าจะได้แบบนี้ ทำคนเดียวนะบางทีมันก็ร้องรบกุก้งคามไม่ค่ได้ถามใครแต่พอทําปฏิบัติร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีตุบายจันทร์คอแนะนําก็ได้ผลดีหลายคนก็ได้ผลก้านะเปลี่ยนแปลงมัชัดเจนนะมันเข้ากับํามข้อเนี่ยเปลี่ยนารเปลี่ยนแปลงของตัวเองคนอื่นก็เห็นพราะถ้าจัดสรรตัวเองได้ก็ไปนะที่ที่ไหนก็ได้หรือว่า ไปทำเองก็ได้นะไปทำดงก็ได้แต่สำคัญจริงคือทำต่อเนื่องทุกวันแล้วก็มีโอกาสก็ไปปฏิบัติต่อเนื่องแต่เวลาปฏิบัติต่อเนื่องต้องสำคัญว่าบางคนพอเข้าเก็บอารมณ์เลยนะมันจะมีความอยากจากรนะู้ทำอรอาเี้ยคือเวลาเก็บอารมณ์นะมันจะอยากแบบจะเอาให้ได้จะรู้ให้ได้นะ แวลาจะปฏิบัติตอเนื่องหลายวันนะก็ระวางตรงนี้กระตุ้นก่อนๆะมันจะมีความอย า, ากจะบยลทำอยากแก่นั่นนี่มันก็เรืยแกะจริงจังเกินไปเคร่งเครียไปหน่อยนะแต่ถ้าเราเป็นธรรมวางใจว่าเหมันเราให้โอกาสตนเองนะในการวางการงานวางความรุ่นวายบางอย่างโทรศัพท์มือถืออิจไว้ผู้จาร น้อยที่สุเทาที่จําเป็นทําความเพียรนี่มันมากที่สุดเท่าที่ทำได้มันจะได้อะไรไม่เป็นไรที่สําคัญดีได้ไรได้ทำ <c oughs> ทำทอทหารนะก็ทําขอ ท, นนะทของที่จริงถ้าได้ทําแล้วก็พอใจที่ได้ทํามันได้ทําขอทองด้วยเลยเแต่ถ้าอยากได้แต่ทำทอทองนะั้นแล้วก็อมไม่ไม่อยากทำ <c oughs> หรืทําก็อยากจะได้แต่ทําัันนั่นไม่พอใจในการทํานะพอใจว่าอยากจะเมื่อไหร่จะได้มันก็ไม่ได้ทั้สองอั่าถ้าเราได้ทํำธรรมะมันก็จะเจ็บที่ในใจของเราต่อบิดยมบิดยมปีไป นี่รำพูคนด้านหลังเลยทางนรกการศึกอานะคะก็โยมเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติแหนทขาดแบบนี้ครั้งแรกก็มีคำถามตั้งแต่ชื่อช้ารีใจนี่ก็เก็บเอาไ่อเพราะว่าอาจารย์แบบว่าให้ให้ท้องให้ทางก่อนให้ปฏิบัติก่อนพอปฏิบัติก็เลยก็เลยมีคำตอบในใจอยู่นะนิดนึแต่ว่ามันก็ตอบไม่ได้ทั้งหมด ก็คือคาถามว่าในขณะที่เราคลิกมือแล้วเรารู้สึกรู้สึกว่ามือเราเคลิกใช่ไหยคะแต่ในขณะดียวกันถ้าอาจารย์ก็คลิกเทไปด้วยเราก็ต้องรู้สึกว่าคําำความเข้าใจกับการเทปของทราอาจารย์ในขณะที่เราต้องาทำความเขา้ขเขาจใจทั้งสองยอย่างพร้อมๆกานอันอนี้ถือถูกต้องไหมคะหรือว่าเราต้องทำความเข้าใจทีละอย่าง โยมจับไม้ไปด้วยโยมพูดไปด้วยโยมต้องทาอะไรเป็นหลักก็ทำงานแบบยากอย่างตอนนี้ต้องทำาะไรเป็นหลักสมติเมื่อกี้นะเม่ี้เห็นโยมจับไม้เยอะก็ถามปนลักนั่นะมันโดยธรรมชาติเจิตใจนะมันมันจะทําของมุ่งอิเราไม่ต้องไป เราไม่ต้องไปตั้งตั้งแต่ทําอันนี้แตไม่ทำอันนี้อะไรนะในหรือบางทีเวลาเราพูดบอกว่าให้ออกตัว น, นี้เป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ทีเอร์เซนต์แล้ี่กี่เปอร์เซนต์บางทีมันมันไม่ได้ใส่ตัวแต่โดยธรรมชาติแล้วมันจะมันจะปรับคนเองอืมอออก็คือต้องสุดผลเพิ่มมากขึ้นเราจะเข้าใจได้นะคือตับคีออย่างแต่อันนี้ ส่วนตัวอาตมา น, นะแต่ผรูบาอาจารย์ทุ่นอาจจะอาจจะมีคําแนะนำหรือมีคําบอกแตกต่างกันแต่เมาส์ก็ว่ามันก็เป็นความคิดเห็นซึ่งไม่ได้บอกว่าเราถูกหรือว่าใครผิดหรือว่าอะไรนี่นะแต่ถ้าถ้าอาตมาแ น, นนะ น, แนํานะอาตมาแนะนําก็ถ้าเป็นคนใหม่ๆยังไม่เคยฟังไม่เข้าใจหลักใ น, านการปฏิบัติก็ฟังอย่างเดียวฟังเหมือนเราเล่าเชื่อฟังมเชื่อ ก, ก็ฟังไปให้มันเข้าใจว่า ดับการในการปฏิบัติทําแบบไหนเทคนิค <c oughs> ในการปฏิบัติทําอย่างไรก็ฟังให้เข้าใจแล้วมาว่าพัะเขาไม่ได้พูดต่อครับที่เหลือเราก็เอาคำพูดที่เราได้ฟังนั่นนะล้วก็ไปปฏิบัติไปดองเอาทฤษฎีที่เร า, เรานะได้ฟังนั้นเราไปทําดูอันนี้ถ้าถ้าคนใหม่ามาอานแนะนําแบบนี้แต่บางทีก็เข้าใจว่าบางทีนะักปฏิบัติทำก็อะไรคนก็เป็นคนเก่า กูบาดจำบางทีต้องบอกที่จริงเนี่มาพูดนะเอาคนมาเรียนกันมาหลายปีเนี่ยก็จับทางมาไดแล้วมาจะพูดอะไรนีพูดก็คล้ายๆเดิมเมือนเดิแล้วพูดสอนธรรมะนะเหมือนเดินใช่ป่าเหมือนเดินเหมือนเดินแต่ก็มีบ้างมันทีก็แตกต่างไปถ้ามันแล้วแต่แล้วแต่นักปฏิบัติบางทีพูดธรรมะแล้วแต่นักปฏิบัติคน่ใหม่ๆเยอะนะธรรมะก็จะกอก ไหลไปทําตนใหม่คนเก่าๆก็อาจจะทํำมากก็ออกไปทำคนเก่าๆสถาวั <hazards already iden Jessie> <description> no okay. ตธรรมปฏิบัติวันเดียวท่วนใหญ่เท่หงก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าปฏิบัติใจวันนะมันก็จะมีความแตกต่างในแต่ละช่วงของการปฏิบัตินั้นฟังให้เข้าใจก่อนแล้วก็ไปทํำมันจะได้ไม่คลๆไม่ตะเปตะปากมากแต่ถ้าคนเก่าฟังเยอะแล้ว ก็อาจจะปฏิบัติเป็นหลักก็ได้แล้วพอมาพูดบางอย่างมันเป็นธกิจ อ, อะไรจิตมันจะไปมันจะไปสนใจที่ตัวตัวธรรมะในการฟังมันก็จะยืดตัวนี้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็กลับมาใหม่พอมาไปพูดเร่องอื่นแล้วก็ไม่ได้สนใจตอนนั้นเท่าไหร่มันก็กลับมารู้สึกด่วนนี้แต่ถ้าจะคึนใหม่ใหม่ก็เริ่มทํำเลบางทีเราก็ทําอะไรบางอย่างก็ จะทําป้องกันหลายอย่างก็จะดีเช่นเรากินข้าวก็ไม่ต้องพูดคุยกันอะไรมากก็มีสติในการกินอะไรนะหรือวเวลาจะเดินวเวลาจะเดินก็นไม่ต้องไปหาอะไรมามาคิดมาอะไรมากวนะันก็ อ, อยู่กับการเดินถ้าเราฝึกในเรื่อยๆ น, น, นะสติสมาธิมันจะเกิดได้ง่ายแต่ถ้าเราชีวิตเรามากัก อยากจะทำอะไรเลยอย่างพร้อมกันพอนี้พ็จะมากัะจายในรูปแบบพอปคุงสร้างก็จะเปิดได้ง่าย สูงแน่ใที่ต้องถามว่าสักคูน่นะคะรอกค่า มันเกิดอาการเจ็บปวดเนี่ยค่ะก็ก็ไม่ไปก็อยู่ในท่าที่มันคล้ายๆผ่อนผ่อนเวทนาบนเททัวร์มาหน้าแล้วถึงตึงหลังนะเททัวร์หน้าเนี่ยผึ่งหลังก็ยืที่มันสบายขึ้นแล้วนะก็ไม่ต้อไปไม่ใช่ไปผิดคนนะอีกอย่างหนึงบางคนคิดที่ว่าแบบเวลาเกิดเวทนาให้ไปดูเวทนา แต่ถ้าวิธีนี้เทคนิคแบบนี้ส่วนใหญ่คือเราจะไม่ไม่เป็นเน้นดูเวทนาตรงๆแต่เราจะาให่ดูความสึกตัวกับการเคลื่อนไหวนี่นแหละแต่เราก็รู้ว่าอันนี้กาย น, นั่งกายเคลื่อนมันมีเวทนาเข้ามาแทรกอยู่ในกายบางส่วนเช่นปวดเขา่าเส้นหลังตึงอะไรเนี้ยก็เห็นว่ากายตัวหนึ่งมันเคลื่อนมันมีรูปที่เคลื่อนไหว มันมีรูปที่มันมีเวทนาเกิดขึ้นก็โดยเนี่ยเราไม่ใด้ไปดมไปดูเวทนาเช่นปวดไปดูความปวดนะเพราะบางทีถ้าทำน้ำสมาธิไม่พอนะมันจะเข้าไปยอยู่ในความปวดหรือบางทีพอไปอยินความปวดจิตก็เป็นกักงวลไปคิดว่าอืมทมําไงจะหายปวดนะหรือบางทีเวลเราที่เราทําแล้วเราพยายามอยากจะชนะความปวดนะแต่ก่อนมันก็ นั่งสมาธิแบบขาดสมาธิเก็ตเลยนะตอนกันแรกก็ทนมากท น, ะนวันไหนทนจนข้ามมันได้มันไหนปวดนะเราก็ภูมิใจมันก็เป็นอดตายแบบนี้นมาเราเก่งในวันนี้นะวันไหนทําไม่ได้ก็เราแย่นะเพราะตันนั้นไปนมุ่งเป้าที่การเอาชนะความปวดวันไหนชนะได้ก็เลย รู้สึกภูมิใจวันไหนชนะไม่ได้ก็รู้สึกเสียใจแต่ถ้าเราไม่ได้ไปมุ่งเป้าที่การเขาไปนชนะความกลัวหรือไปดูให้มันหายเราดูเพื่อศึกษาว่าเวทนามันก็เป็นอา ก, การหนึ่งของลูกลูปนะมันก็มีทั้งการเคลื่อนไหวมีทั้งการหยุด น, นิ่งบางครั้งก็มีพุกเขเวกนาเกิดขึ้นดูแบบนั้นแหละแยกเป็นตัวส่วน แต่ใจตอนนี้เป็นแบบไหนใจเข้าไปอยู่ในเวทนามนยะถ้าเข้าไปอยู่กลับมาอยู่ตรงไหนถึงจะไม่เป็นทุกข์ถ้าไปอยู่กับความปวดใจเป็นทุกข์เปล่าถ้าอยู่ความปวดใจเป็นทุกข์ใจจะอยู่ตรงไหนถึงจะไม่เป็นทุกข์เราก็จะมันจะ่อตัวเองนะเออ แ, แต่ไม่ใช่เป็นการพูดแบบนี้โต้ต่อนะจะเหมือนพอเรเจอเนะี่ยมันจะสอนอย่างเอ๊ะใจก็อยู่กับขาที่ปวดเนะี่ยเป็นไงเปนทุกข์ใช่ไหม อ ย, อ, อยู่ตรงไหนเฮ้ยพอมาอยู่กับมือมันเบาวกว่าเก่านะใช่ไหมมันทุกข์น้อยวกว่าเกา่ารู้ไม่ทุกข์พอใจมันอยู่ความป่วยแล้วเป็นทุกข์ออกมาอยู่กับการเคลื่อนไหวหายทุกข์เห็นนะ่ะการวางใจแบบไหนไมีทุกข์แบบไหนไม่ทุกข์แล้วก็รู้นะี่ยพอสมควรคนมากไม่คนไม่ไหวแล้วก็เลี่ยสติ ย, ยังมีสติแทนอันนี้คือเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับรูป เวทานาที่เกิดขึ้นกับนามที่เป็นเป็นความทุกข์เป็นความสุขก็ดูมันคล้ายคกันดูผ่านการที่เรารู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นเป็นความทุกข์เกิดขึ้นในใจเห็นความสุขเกิดขึ้นในใจตัวอย่างที่บอกยกมือไปแล้วเคินเกิดความสุขก็เห็นไหมความสุขเกิดขึ้นแล้วยกมือก็ยกอยู่ความสุขเกิดขึ้นะะขขขนะก็เห็นทั้งลูก เห็นทั้งนามกะดับตาวใหญ่กรับตัวน้อย พอดเด็กได้ละพอดก็จับฟูใส่กระโดมในบริษัทการจัดค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็เออชื่อ